Book ทู <C 18. S> 1ี่สิที่ไหนวอร์อิสสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะวอร์อิสทีทัรสเตนิตคันร์ คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะเหตี accord van die stad vir ไหมจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Kan mens hier 'n komer reserveer? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Waar is die ou stad? วิหารอยู่ที่ไหน ว a ร์อีส์ดิแคทเดร a ลพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน i อร์ i ีส์ e ิม s เซีซื้อสแตมป์ได้ที่ไหนวอ a ์ก a รเมนส์เซี s ลส์กซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนว a a ์ก a n s มนส์บลูเมอ ซื้อตั๋วได้ที่ไหนวอ a ์การอาเรืออยู่ที่ไหนวอ a ์อสตลาดอยู่ที่ไหนวอร์อสดีปราสาทอยู่ที่ไหนวอร์อ การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่วันนี้เริ่มเดือนตุลการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่วันนี้อินดอชเดือนตุลการพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่หูหลังเดือนตุลดิฉันต้องการมักคุเทที่พูดภาษาเยอรมัน ฉันอ e a ากฟังที่ดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาเลียน w ันอยา a ฟังคนที่ว่าียดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศสฉันอยากฟังคนที่ว่าฝรั r งเศสด